พระธรรมเทศนาแผ่นท the <c oughs> <c oughs> <pi Ba> ี่99าลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าของขวัญของคุณเปลววันนี้รู้สึกอากาศฝนบดหมืดคึมเหมือนจะฝนจะตก เพราะนั้นความหนาวรู้สึกว่าหายห่างไปไม่หนาวแล้วนจจักสัทยาญาติโย่อมรูกลานแต่ดูรูมันจะมีอากาศฝนเข้ามาแทนถ้าหากว่ามีอากาศฝนความหนาวหายถ้าวันไหนมองขึ้นท้องฟ้าแล้วฟ้าเขียวต้อยลม ว, ว, วิวนัน่นแหละหนาวมาละไม่ต้องชะนีไม่ต้องบอกแล้วงั้นเรารู้เองเลย งานกำแพงของเราก็ทำไปเรื่อยๆกำลังทำลงมือกันมาตั้งแต่วันที่สามแล้วละ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หกแล้ววันนี้ทำมาได้สามวันละก็ไปเรื่อยๆหลวงพ่อจะให้ปิด ประตูซะก่อนประตูหน้าต่างซะก่อนที่ทำที่กำแพงที่มันพังกาแพงพังเแบบ่ยเมือ่อเราปิดประตูไม่ให้อะไรเข้ามาสู่วัดของเรานะปิดประตูเมืองกระแย่พวกเราอยู่บ้านนอกเขาเคยจะเห็นแย่เวลาตอนเย็นมันก็นปิดประตูของมันนะ ปิดประตูอย่างดีนะแต่บางตัวแยกขี้เกียจนะปิดประตูไม่ดีองูงูเผางูกระปะนะมันจะหัวใสเข้าไปซีเข้าไปในรูของแยะแปลว่าถ้าตัวไหนปิดไม่ ด, มมดีมันหลวมนละมันหลวมน่ะพอมันหลวมเลยงูงูเผางูเผ า, ง, เางูกระปะนะ มันเข้าไปท่านั้นน่ะโอ้ยแย่เปิดออกทังมันก็มีมันก็ฉลาดเข้ามันได้เขาเรียกว่างทางหนีภัยของมันน่ะมันก็เจาะทางหนีภัยของมันอีกไว้รูหนึ่งอีกเหมือนกันนะอแต่มาเจาะให้ทะลุนะเจาะบางๆพอสัตว์ตัวนี้เข้าไปมันก็ทะลวงวิ่งเลยล่ะวิ่งหนีแต่วิ่งหนีโดยมากจะไม่ไม่พ้น ไม่ผลพวกงูพวกงูมันตาดีกลางคืนเนะ่ยแต่แย่เนะี่ยพปวน ว, วิ่งไปสเปะสะปะไปอย่างนั้นแหละว่าวมันตามันไม่ดีเออมันตากลางคืนมันไม่มีตาเออตามองไม่เห็นกลางกลางคืนะ่ะมันเห็นแต่กลางวันปวนนิจูกับไอ้พวกงูแล้วก็ตามไล่ติดติดติดติดไปกันนะัน่ะปวนนิจูก็ขาบกันกินกัน น, ะนี่แหละ คือพูดให้ฟังก็คือเนี่ยปิดประตูวัดของเราคนนี้ประตูมันพังรั้วมันพังกำแพงมันพังเราก็ต้องปิดประตูของเราให้รอบให้ล้อมรอบขอบชิดซะก่อนความปลอดภัยเพราะนั้นจึงให้กูบาทั้งหลายทำํำกำแพงซะก่อนเดี๋ยวนี้กําลังเริ่มทําปิดไปหลายช่องนะะั้นแหะแต่ยังช่องใจมันยังไม่ได้ปิด แต่ช่องอื่นแล้วก็ปิดมาแล้วละ่ะปิดมาหลายช่องแล้ว เ, เรียบร้อยมาล่ะรู้สึว่าแข็งแรงแต่สวนข้างในที่สะพานที่มันขาดถนนที่มันขาดอย่างเอาไว้ก่อนกำลังจะเริ่มทำต่อไปในเมื่อกำแพงข้างนอกพอเรียบร้อยพอสมควรแล้วก็คงจะเข้ามาทำถนนแล้วที่สะพานที่มันขาด การสัญ จ, จรเที่ยวหากันยังไม่สะดวกมันขาดนะฉันคงจะทำจุดนี้อีก <c oughs> ทำไปทีละอันละอัน <c oughs> เศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ในหลวงท่านพูดนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันศุกร์ที่หก <c oughs> มกราคมพุทธศักราชสองพันห้ารอยหกสิบวันนี้ก็ เป็นวันหนึ่งแต่วันนี้หลวงพ่อเองอยากจะให้ครูบาอ่านเอกสารแล้วว่าอ่านหนังสือที่คุณโยมเปลสีเงินที่ถ้าเขาพิมพ์ออกมาท่านพูดเกี่ยวกับเจดีขององค์หลวงตาเมื่อวานหลวงพ่อวันก่อนกับพระท่านก็มาอ่านให้อยากโยมข้อมาให้ ท่าน ก, ก็มาอ่านให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อได้ฟังเออท่านก็เขียนดีก็ถูกตามที่คงจะได้ศึกษันคงเปียวคุณโยมเปียวเสียงองได้ศึกษามาดีพอสมควรแล้วจึงได้พูดออกมาฟังๆแล้วเข้ากฎเกณฑ์ดีแล้วก็เมื่อวานก็ลงอีกที่หนึ่งแต่ท่านพูดวันแรกท่านบอกว่า ขอพรปีใหม่จากท่านนายกแต่ตามไม่ดีเองก็ถูกนะหลวงพ่อว่านะเจดีของหลวงตาหลวงตาเป็นพระสาธารณะเป็นพระของประเทศชาติหลวงตาทําขุนอุปการให้กับประเทศชาติใครๆก็รู้กันทั่วทุกหัวไหลแห่งไม่ว่าช่วยสงเคราะห์โรงพยาบาลโรงเรียนที่ว่าการอําเภอทั้งหมดสร้างให้ขนาดอยู่ในอยู่ในตาราง อย่ในเรือนจาท่านก็ไปสร้างให้หมาพิกงพิการท่านก็สร้างโรงพยาบาลให้หมาอีกถ้าจะว่าไปหลวงตาช่วยประเทศชาติบ้านเมืองผลทีท่ชุดนะครั้งยิ่งใหญ่ก็คือเนี่ยทั้งช่วยโรงพยาบาลสร้างตึกที่อุดอรเนี่ยตั้งสิบชั้นาจากนั้นก็เนี่ยบ้านเมืองต้มยำกุ้งปี39มสศูน์อันนั้นชัดๆเลย หลวงตาออกมาช่วยชาติจัดผ้าพปาขึ้นมาได้เท่าทองคำทั้งสิบสามตันกว่าแล้วก็ดองเงินดอนลลาร์อีกสิบล้านกว่าดอลลาร์ทาจะว่าไม่ว่าเป็นพระที่ช่วยประเทศชาติพวกเราจะว่ายังไงทุกวันนี้พวกเราได้ใช้เงินบาท ที่องค์หลวงตาเอาทองคำเข้าออคลังหลวงเพื่อเนี่ยแหละประกันธนบัติของเราให้มีราคานะถ้าคิดเป็นเงินไทยออกมาทุกวันนี้ดูสิ13ตันกว่านะบาทหนึ่งก็สอง0 0 0กว่าบาทมันขึ้นมันลงทองคำนะทุกช่วงมันลงก็มีช่วงมันขึ้นก็มีแต่ช่วงนี้กำลังขึ้นหลวงพ่อได้ทราบข่าวนะก็คิดเราคิด บวกลบคูณหารด้วยสิมันร า, าคามันแพงพอสมควรลงตาลงตามีคุณอุปการให้กับประเทศเท่านโยมเปลวสีเงินก็บอกว่ า, เ, าเราจะมามอบให้หลวงพ่อสุดใจท่านตัมมโนเจ้าอาวาสกับหลวงพ่ออินถวายสันตุจโกน เ, เป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดำเนินการาชักจะเกินไปชะละมั่งพทกหลวงพ่อว่านะาทำไมเพราะว่า หลวงตาไม่ใช่ของหลวงพ่ออินกับหลวงพ่อจุดใจนะหลวงพ่ออินหลวงพ่อจุดใจกับหลวงพ่อจุดใจก็อายุ7จดบสาปีแล้วหลวงพ่อเองก็เจ็ดสิบสองปีมาสร้างเจดีย์เงินเป็นหลายร้อยล้านผู้ที่เจตนาดีก็มีเจตนาไม่ดีก็มีเสือสิงกระทิ้งแรดที่มาก่อสร้างมากมายหลวงพอ่อเป็นพระแกะ่ๆเท่าๆอยู่ในปา่าหลงพงไพ่งมงมงงามงาม จะไปทันเสือสิงกระสิงแรดที่เขี่ยวเล็บยาวๆได้ยังไงถ้าหาว่ารัฐบาลผู้มีสติปัญญาไม่มาเข้ามาช่วยนะเพราะนั้นที่คุณโยมเปลสีเงินพูดทางพรไปขอพรจากท่านนายกที่เป็นประธานใหญ่หลวงพ่อว่าถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งเจดีนี่ก็เป็นเจดีของทุนก็หม่อมเป็นประธานและก็พระ อ, องค์เจ้าิรีพาจุตาภร เป็นประธานผู้ออกแบบกับคนาจารย์มหาวิทยาลายัยศิลปากรอีกนะแต่ทางรัฐบาลและท่านนายกกรุงตู่ของเราก็น่าจะเข้ามาสนองพระราชโอ่งการช่วยเป็นหูเป็นตาหลวงพ่อว่าช่วยเป็นหูเป็นตาหลายหลายคนพอสร้างเสร็จแล้วเป็นสมบัติของใครไม่ใช่สมบัติวัดป่าบ้านตาดไม่ใช่สมบัติหลวงพ่อชุดใจไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่ออินนะ หลวงพ่ออินเอกไม่กี่ปีก็ตายไปแล้วเ ย, ยดีพิพิธภัณฑ์อยู่คู่กับเมืองไทยไปนานเท่านานเพราะนั้นอยากจะให้คณะชาตทไทยญาติโยมคนในชาตินี่แหละผู้ได้รับผลประโยชน์ผู้ได้ใช้เงินเงินมีคุณค่าขึ้นมากับเพาะเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งที่องค์หลวงตาเอาทองคำเข้าไปประ ก, กันธนาบัตรของเราก็มีราคาเพราะนั้นทุกคนควรจะมองพระคุณของหลวงตา มองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะหลวงพ่อว่านะควรจะหันหน้าเข้าหากันสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์สิ่งไหนจะเกือ้อกูลหนุนที่จะให้เจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเป็นสิริเป็นมงคลของต่อประเทศชาติบ้านเมืองในเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเสร็จมาแล้วมันก็ไม่เป็นของใครเป็นสมบัติของประเทศชาติเป็นสมบัติของแผ่นดินจากนั้นชาวต่างชาติาาต่างภาษาเมื่อเข้ามาในประเทศไทย เขาก็จะอยากจะรู้ว่าประวัติของพระองค์ เ, เนเี่ที่เป็นพระแก่เนี่ย ท, ท่านทำยังไงท่านพูดยังไงประวัติของท่านเป็นยังไงจึงหาทองคําเข้าคลังหลวงเป็นได้ถึงสิบสามตันกว่ามีใครบ้างในโลกนี้ไม่มีนะมีตะหลวงตาของเรานี่ละ อ, อายุมากขนาดนั้นท่านสู้ จนหาทองคำเข้าวังหลวงเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทั้งหลายควรจะเชิดชูบูชาในพระคุณองค์หลวงตาประกาศเกติประกาศเกติคุณแต่คุณยมเปรวสีเงินก็ได้ได้พูดไว้ในเนนละหลวงพ่อจะให้อ่านทั้งสองฉบับเลยนะเอานี่มนให้ครูบาเซียงอ่านดูสิฉบับหนึ่งแล้วก็ให้ครูบายาเตรียมตัวนะอ่านฉบับที่สองนะให้ท่านเสียงอ่านฉบับที่วันที่สี่นะ กราบขอโอกาสอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ไทโพส์ลงวันที่4มกราคม2560โดยคุณเปลวสีเงินในหัวข้อ6ปีพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีหลวงตาปีใหม่แล้วผมขอของขวัญท่านนายกประยุทธ์สักชิ้นหนึ่งนะครับจู่ๆมาขอกลางบ้านกลางเมืองเช่นนี้ทั้งท่านนายกและคนอื่นๆ อ, อาจจะสงสัยว่า ผมเกินเลยมากไปหรือเปล่าและของขวัญที่อยากจะได้นั้นมันคืออะไรก็จะกาบเรียนประกอบดุลยพินิษย์ไปตามลำดับส่วนท่านนายกจะมีความเห็นตอบสนองอย่างไรให้ถือว่าท่านได้ไต่ตรองรอบครอบดีแล้วเขาบอกเป็นเบื้องต้นว่านี้เป็นบูชาสักการะต่อทูปรรหบุคคลสะท้อนชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนแท้จริงคงไม่มีใครปฏิเสธ เมื่อปีพุทธศักราช2540วิกฤตต้มยำกุ้งที่เกิดเป็นประวัติศาสตร์สอนภาครัฐภาคประชาชนครั้งนั้นคือวิกฤตชาติในรอบร้อยปีไทยจนเจียนต้องขายประเทศหรือตกอยู่ในภาวะจำยอมให้บรรดาเจ้าหนี้ต่างชาติเป็นเจ้าเข้าครองท่ามกลางภาครัฐว้าวุ่นเวิงว้างพยายามดิ้นออกจากกับดักกลุ่มทุนตะวันตก พลันมีปรากฏการณ์หนึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีใครคิดมาก่อนหรือถึงคิดก็ไม่มีใครกล้ามั่นใจในบุญญาบารมีตัวเองว่าทำไปแล้วจะมีพลังเป็นเสาพยุงค้ำประเทศในวิกฤตยามนั้นไว้ได้นั่นคือมีโครงการหนึ่งเกิดขึ้นคือโครงการช่วยชาติผู้คิดทำโครงการนี้แทนที่จะเป็นผู้ทรงยศทรงอานาจกลับเป็นพระหลวงตารูปหนึ่ง คือหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีท่านเป็นพระป่าพระดงจะเจริญตามรอยบาทพระพุทธองค์เพ่งบำเพ็ญเพียรด้วยวิปัสนาธุระสู่วิมุตติธรรมตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตโดยในวิกิต้มยำกุ้งหลวงตาไปแจกสิ่งของให้กับโรงพยาบาลตามท้องถิ่นกันดารตามกิจวัตรที่ทำประจาก็ทาให้หลวงตาได้ทราบพรวดเดียวเงินบาทเฉียดแบงกงเต็ก 5 6บาทมีค่าเหลือเพียงหนึ่งเหรียญสาลัฐเป็นผลทำให้โรงพยาบาลเป็นหนี้เพิ่มจากการซื้ออุปกรณ์แพทย์ทางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาสารหลวงตาเกิดธรรมสังเวชจึงดำริตตั้งโครงการช่วยชาติเจริญพรยังคนไทยทั่วทั้งประเทศให้ร่วมกันบริจาคเงินทองรวบรวมแล้วส่งมอบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย นำเข้าบัญชีฝ่ายออกัตรหรือคลังหลวงให้เป็นเงินท้องพระคังค้ำประเทศที่เหือดแห้งแห้งขอดยามนั้น3 0มกราสหนึ่งปฐมเลิกด้วยเงินบริจาค2500เหรียญสหรัฐ1 2เมษาสี่หนึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรไวลัลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดโครงการช่วยชาติช่วยแผ่นดินที่เรียกกันติดปากว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเป็นการสวนพระองค์ในเวลาต่อมาไปสวนแสงธรรมพุทธมนฑนสายสามถวายพระราชทรัพย์สวนพระองค์ร่วมโครงการช่วยชาติแด่หลวงตาท่ามกลางวิกฤตเชี่ยวกลากนั้นปรากฏว่าทั้งเงินสกุลต่างประเทศเงินไทยและทั้งทองคํา ทยอยเข้ามาเป็นพราป่าช่วยชาติถวายหลวงตาหลวงตาก็ทยอยนำเข้าท้องพระคังเป็นที่จดขานถึงความแปลกมหัศจรรย์กันทั่วทั้งโลกเพราะทั้งโลกมีที่ประเทศไทยที่เดียวในโลกด้วยบา ร, รมีธรรมทำให้เกิดเช่นนั้นได้เป็นมหัศจรรย์มหัศจรรย์แห่งอนาคตังสยานพระหลวงตามหาบัวโดยแท้เพราะใครจะไปรู้ทองคาบาทละพถึง 5, บาทขณะนั้น จะสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวของมันเองขึ้นไปบาทละ 8,000 ถึง 12,000 บาทจนถึงวันที่30มกราคม2 5 5 4หลวงตาพระหมหาบัวหรือพระธรรมวิสุทธิมงคลก็ถึงซึ่งยัตถานามจะลรูปัญจอาเสสงอุปรุษชติวิญญาณสะนิโรเทนะเอตาเทตังอุปรุษชตินามและรูป ย่อมดับไปไม่เหลือในที่ใดนามและรูปนี้ย่อมดับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณดับในความเป็นอริยสงฆ์ผู้จากไปดีแล้วหลวงตาทิ้งอะไรไว้บ้างหลวงตาทิ้งมรดกไว้สองชิ้นชิ้นแรกเป็นปณิธานของหลวงตาความว่าเวลามีชีวิตอยู่นี้เราจะทำความดีให้โลกทั้งหลายได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามและทาความเมตตาสงสารต่อโลก พะหลังจากนี้แล้วเราตายแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเป็นอนันตการชิ้นที่2เป็นพินัยกรรมของหลวงตาทำไว้เมื่อวันที่7พฤษภาคม2 5 4พายพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยอ่านให้ที่ประชุมฟังหลังเสร็จพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศบความสำคัญว่าเมื่อเข้าพเจ้ามรณาภาพแล้ว ให้จัดการทรัพย์สินและทำงานศพข้าพเจ้าดังนี้บรรดาทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วในขณะที่ข้าพเจ้ามรณภาพและบรรดาทรัพย์สินต่างๆที่จะได้รับบริจาคในงานศพของข้าพเจ้าให้จัดการดังนี้ส่วนที่เป็นทองคําให้หลอมเป็นทองคําแท่งส่วนที่เป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใดให้นำเข้าซื้อทองคาแท่งและให้นาทองคาแท่งไปมอมให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเงินทุนสารองเงินตรา ๕มีนาคม2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรไวรัลักษณ์อ克ราชกุมารีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ยานทรกิติคุณเสด็จไปพระราชทานเพลิงศลีละสังขารหลวงตาพระมหาบัวณวัดป่าบ้านตาด7พฤษภาคม2554สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรไวรัลักษณ์อร拉จุกุมารี สเสด็จทรงเป็นประธานในการรับมอบทองคําแท่งตามพินัยกรรมขององค์หลวงตาณสวนแสงธรรมนายประสานไตรัฐวรกุลผู้ว่าแบงค์ชาติขณะนั้นเป็นผู้รับมอบได้กราบทูลรายงานว่าทองคําแท่งที่ได้รับจากโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่16มีจํานวนทั้งสิ้น 73.64 แท่งน้ําหนักรวม 9ก0 5ิกิโลกรัมเมื่อนำไปรวมกับทองคำแท่งจากโครงการนี้ที่นำเข้าสู่คลังหลวงครั้งก่อนนี้จำนวน967แท่งทำให้มีทองคำแท่งเข้าสู่คลังหลวงรวม1040แท่งน้ำหนักรวม 13000.05 กิโลกรัมคิดเป็นเงินทั้งสิ้น1 9 1 8 8ดล้าน 4,13,280 หนาดบาทขณะเดียวกันเมื่อนำรวมกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่มาจากโครงการเดียวกันและมีการนั่เข้าสู่คลังหลวงไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวน1 0ล้านส0นหดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยจำนวน 300,6 ล้าน 90 6 573บาท36สตัง์จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 9 495 3 0 0 0 0 7 0 8 3 5 3บาทผมอยากให้ข้อสังเกตนี้เป็นมูลค่ารวมจากราคาทองคํา และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาปี54ตอนนี้ปี60นดอนลลาร์ละ35บาถึง36บาททองคำบาทละกว่า 20,000 บาทคิดเอาเองละกันเพิ่มค่าในตัวเองํำชาติขึ้นไปอีกขนาดไหนที่ผมเท้าความยืดยาวหวังให้เป็นข้อมูลประกอบดุลยพินิจของท่านนายกประยุทธ์ว่าของขวัญที่ผมขอ มีเหตุผลพอที่ท่านจะเต็มใจมอบให้หรือไม่คืออีก27บวันก็จะครบรอบหปีแห่งการลัสังขารของหลวงตามหาบัวเมื่อวันที่30มกราคม2 5งพรพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตาพระมหาบัวนั้นจะได้ว่าเป็นถู ป, ปรหบุคคลบุคคลผู้ควรแก่การสร้างสถูปและเจดีย์ไว้บูชาในพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่ง เพราะท่านเป็นอริยสงฆ์ในรอยต่อสังคมชาติว่าด้วยองค์สัมพันธ์เกื้อแห่งประเทศชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์เศรษฐกิจการเมืองและประชาชนณยุคหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ควรต้องมีให้การศึกษาเรียนรู้กันต่ อ, ตอไปแต่6กปีผ่านไปพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธทิมงคล น, นวัดป่าบ้านดาดอุดรธานีเพื่อการสักการะบูชาและการเรียนรู้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรแวดลักษณ์อัครราชกุมารีสเสด็จไปทรงเป็นประธานวางศิาลาฤกษ์เพื่อการก่อสร้างไว้ตั้งแต่วันที่30มกราคม2556 6ครั้ง6หน6ย้าย6เปลี่ยนทั้งที่เงิน400ถึง500ล้านบาทเพื่อการก่อสร้างโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรแวดลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานดําเนินการมีพร้อมเป็นทุนปฐม แต่ด้วยมากสิทธ์มากศรัทธามากความเห็นเป็นมากที่ละเมียดละไมจนพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิ์ทมงคลอย่างเริ่มไม่ได้แม้แบบการก่อสร้างเจดีย์ที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจทาภรณ์และคณะผู้ออกแบบรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ที่นายวิเชษสุวิสิทธิ์และคณะผู้ออกแบบพร้อมหมดแล้วก็ตามแม้ต้องแก้แบบครั้งแล้วครั้งเล่า ก็ยังลงมือสร้างไม่ได้อยู่ดีไม่อาจกล่าวได้ว่ามีอันใดเป็นอุปสรรคหากแต่ทุกอย่างล้วนมีเหตุปัจจัยในตัวมันเองวันใดเหตุปัจจัยประชุมถึงพร้อมและลงตัวแล้ววันนั้นแหละพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลก็จะถึงการได้สร้างเองและณการนี้ล่วงเข้าแผ่นดินรัชการที่สิบความถึงพร้อมก็มาถึงพระอาจารย์สุดใจทันตมโนจเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาด พร้อมคณะสงฆ์พระอาจารย์อินทวายสันตุสโกโวัดป่านาคําน้อยและสิทธุทุกฝ่ายด้วยความเห็นชอบร่วมกันลงมือเจาะเสาเข็มเพื่อวางฐานรากพิพิธภัณฑ์ธรรมเจีดีแล้วเริ่มเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมานี้เองการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจีดีนี้ลำพังพลังศรัทธาบรรดาศิษย์ก็สร้างได้สําเร็จแต่ผมเห็นว่าที่มาของพิพิธภัณฑ์ธรรมเจีดีคือหลวงตาในความหมายทั้งความเป็นอริยสงฆ์ และความเป็นผู้กอบคู่สถานการณ์ชาตินับได้ว่าหลวงตาเป็นบุคคลหนึ่งในสีจำพวกที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกคู่ควรแก่การสร้างเจดีย์และสถูปเพื่อการสักการบูชาคุณปาราบเหตุดังกล่าวท่ามกลางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรไวลัลักษณ์อรา ช, ชกุมารีทรงมีศรัทธาแรงกล้ารับเป็นองค์ประธานในการดาเนินการ แต่การก่อสร้างจะสำเร็จเรียบร้อยได้ลําพังพระอาจารย์สุดใจและพระอาจารย์อินถวายดูจะเป็นภาระลําบากใจสำหรับพระวิปัสนาธุระมากอยู่ผมจึงอยากให้ท่านนายกประยุทธ์ในานามรัฐบาลช่วยรับเป็นภาระจะให้ทางกองทัพภาคที่สองหรือหน่วยงานใดอันมีใช่สำนัก ง, งานพุทธเข้าไปสนองคุณพระศาสนาช่วยแบ่งเบาภาระพระอาจารย์ทั้งสองรูปนี้ด้วยนี่แหละครับ ของขวัญปีใหม่ที่ผมขอและอยากได้จากท่านนายกจากคุณเปลวสีเงินขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์เจดีหลวงตาถูกตามธรรมหรือไม่จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์5มกราคม2560โดยเปลวสีเงินเมื่อวานบอกเล่าไปว่าพระอาจารย์อินถวายสันตุสโก กับพระอาจารย์สุดใจทันตะมโนเริ่มเดินหน้า ง, งานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีหลวงตาพระมหาบัวที่บริเวณวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีแล้วและผมเสนอข้อมูลให้ท่านนายกประยุทธ์ในนามรัฐบาลประกอบการพิจารณาว่าเห็นเหตุและผลที่ควรรับเป็นยมอุปถัมภ์โครงการนี้หรือไม่อย่างไรทีนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งบางท่านบางศรัทธาเกิดทัศนคติต่างมุม จนมีคำถามลักษณะว่าพระป่าพระดงยังติดอยู่กับสิ่งก่อสร้างอีกหรือหลวงตามหาบัวต้องการให้สร้างสิ่งนี้อย่างนั้นหรือและการสร้างวัตถุเช่นพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีเช่นนี้เป็นไปตามพระธรรมวินยัยอันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส บ, บอกไว้หรือไม่อย่างไรวันนี้ก็อยากจะทาความเข้าใจให้ตรงกันว่าถ้าถามว่า แล้วผมไปเอาข้อเท็จจริงมาจากไหนมาทำให้ตรงขอตอบว่าจากการศึกษาหาอ่านบ้างจากได้รับฟังพระอาจารย์บางรูปผู้สืบต่องานสอนโลกสอนธรรมจากหลวงตาบอกกล่าวบ้างพระป่าผู้มีมรรคแปดเป็นเส้นทางเดินท่านไม่ติดยึดวัตถุไม่สร้างอะไรเพื่อตัวเองมีแต่ผู้อื่นสร้างถวายอันพอควรแต่ความจาเป็นอยู่จาเป็นใช้ เพื่อทางเพื่อธรรมแก่พุทธบริษัทถ้าอย่างนั้นพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ที่กำลังก่อสร้างหลวงตาบอกให้สร้างเพื่อท่านอย่างนั้นหรือหลวงตาไม่ได้บอกให้สร้างแน่นอนศึกษาค้นคว้าตามบันทึกคำพูดของหลวงตามากต่อมากก็ไม่พบพบแต่ลักษณะปฏิเสธท่านไม่ให้สร้างนั่นนี่เพื่อท่านและเมื่อรับฟังจากปากพระอาจารย์ที่ปฏิบัติรับใช้หลวงตา ก็กล่าวตรงกันหลวงตาไม่เคยบอกไม่เคยสั่งให้สร้างอะไรทั้งสิ้นตรงนี้เป็นที่เข้าใจได้พระผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเรสริฐศีลสมาธิปัญญาคือที่อยู่อาศัยเนื้อวัตถุเนื้อทิพยวิมานทั้งปวงตั้งแต่ระดับพ่อแม่ครูอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นท่านไม่เคยบอกสิทธิ์หรือญาติโยมคนไหนให้สร้างสถูกสร้างเจดีย์ สร้างศาสนาวัตถุอะไรให้ท่านมีแต่สิทธิสงฆ์สิทธิคารวาตสร้างถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ภายหลังด้วยสำนึกในคุณและทำสิ่งนั้นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งการระลึกถึงเพื่อการบูชาสักการะทั้งของมนุษย์และเทวดาสืบ ต, ต, ต่อไปกรณีสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมย์ที่มงคล น, นี้เช่นกันหลวงตาไม่ได้สั่งให้สร้างเพื่อท่าน หากแต่สิทิสง์สิทธิคารวาตด้วยศรัทธาระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์คือหลวงตาพระมหาบัวจึงปรารถนาสร้างบูชาคุณท่านเพื่อบรรจุอัฐิธาตุส่วนหนึ่งเพื่อเป็นสถานศึกษาเรียนรู้ปฏิปทาหลวงตาส่วนหนึ่งเพื่อการปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งและทั้งหลายทั้งปวงพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์นี้จะเป็นสิ่งยืนยันถึงพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ชาติแผ่นดินประชาชนโอบเอื้อเกื้อกูลหนุนนำเป็นเนื้อเดียวกันฝ่าฟันวิกฤตนำชาติไทยพ้นภัยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมาได้ด้วยกันโดยการคิดนำคิดทมของพระหลวงตาพระผู้มีปณิธานว่าเวลามีชีวิตอยู่นี้เราจะทำความดีให้โลกทั้งหลายได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงาม และทำด้วยความเมตตาสงสารต่อโลกเพราะหลังจากนี้แล้วเราตายแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเป็นตลอดอนันตการและพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีหลวงตาแห่งนี้จะเป็นหลักใยหลักใจเด่นในแผ่นดินไทยทินอีสานนานเท่านานเป็นร้อยปีพันปีบ่งบอกถึงอุดรธานีเป็นสถานที่ไม่แลงอริยสง จะเป็นศูนย์รวมให้ผู้ใฝ่หาพระสัตธรรมไม่เกี่ยงชาติศาสนามุ่งตรงมาทั้งเรียนรู้ทั้งศึกษาค้นคว้าและทั้งปฏิบัติจิตตบภาวนาด้วยธรรมสากลก็มาถึงประเด็นการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดียหลวงตาเป็นไปตามพระธรรมวินัยจากอดพระพุทธองค์หรือไม่ข้อตอบว่าเป็นไปตามพระธรรมวินยัยตามอดพระพุทธองค์ตรัสไว้กับพระอานนน ผู้เป็นพระพุทธอุปถา ค, คือพระผู้รับใช้ดูแลใกล้ชิดพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบพระสุตตันตปิฎกทีคณิกายมหาวัชเล่มสองภาคหนึ่งหน้าที่สามร้อสิบเอ็ดว่าด้วยเรื่องถูปรารหับบุคคลบุคคลผู้ควรแก่การสร้างสถูปเจดีย์ไว้บูชาก็ในมหาปรินิพานสูตรก่อนพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพานพระอนุนทูลถามประมาณว่า ข้่าพระองค์จะปฏิบัติต่อพระศรีระของพระตถาคตอย่างไรพระพุทธเจ้าข่าพระตถาคตเจ้าตรัสบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการบูชาศรีระของพระองค์ต่อจากนั้นพระองค์ได้ตรัสเรื่องถูปรารหาบุคคลกับพระอานน์ผมขออนุญาตนําจากเว็บลานธรรมจักรมาให้อ่านละกันความดังนี้การบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้น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 ดอกไม้ทูบเทียนและอาหารเป็นต้นเรียกว่าอามิสบูชาและการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมเรียกว่าปฏิบัติบูบชาซึ่งอย่างหลังนี้เองเป็นการบูชาสูงสุดที่พระพุทธเจ้าส่งยกย่องอีกทั้งยังเป็นเครื่องสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่มั่นคงแน่นอนบุคคลที่ควรบูชาคือบุคคลที่มีคุณงามความดีควรค่าแก่การระลึกถึง และยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามมีอยู่ด้วยกันจำนวนมากเช่นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์บิดามารดาเป็นต้นทูปา ร, ระหับุคคลคือบุคคลผู้ควรแก่การสร้างสถูปหรือเจดีย์หรือบุคคลผู้ควรแก่สถูปหรือเจดีย์เพื่อบรรจุอธิษฐานไว้เพื่อเป็นที่บูชาสักการะกราบไหว้ด้วยความเลื่อมใสด้วยสามารถ เป็นภลวะปัจจัยนำให้ผู้กราบไหว้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตามกำลังศรัทธาเริ่มใส่ได้ทูปะแปลว่ากระหม่อมยอดจอมหน้าจัว่วใช้หมายถึงเนินโดมสถูปหรือเจดีย์ที่มียอดสูงซึ่งสร้างครอบหรือบรรจุของควรบูชาเช่นอฐิของบุคคลที่ควรบูชากราบไหว้ ถูปารหาบุคคลในพระพุทธศาสนาสีจำพวกพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงถูปาระหะบุคคลซึ่งหรือบุคคลผู้ควรแก่การสร้างสถูปหรือใจดีไว้บูชาในพระพุทธศาสนาไว้เพียงสี่จำพวกได้แก่หนึ่งพระพุทธเจ้าเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นถูปาระหะบุคคลจำพวกหนึ่งนั้นทรงมีพุทธอธิบายว่าเมื่อบหาชนยังจิตให้เลื่อมใสว่า นี่เป็นสถูป ข, ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกเขายังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์สองพระประเจกพุทธเจ้าเหตุที่พระปเจกพุทธเจ้าทรงเป็นถูปารหะบุคคลจําพวกหนึ่งนั้นทรงมีพระพุทธธิบายว่าเมื่อบหาชนยังจิตให้เลื่อมใส ว่านี่เป็นสถูปของพระประเจกพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกเขายังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ 3. พระอรหันต์ในวงเล็บในพระสูตรกล่าวเป็นพระตถาคตสาวกซึ่งปกติหมายถึงพระอรหันต์เหตุที่พระสาวกพระพุทธเจ้าเป็นทูปารหบุคคลจาพวกหนึ่งนั้น ทรงมีพุทธาทิบายว่าเมื่อมหาชนยังจิตให้เลื่อมใสว่านี่เป็นสถูป ข, ของพระสาวกของพระผู้มีพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกเขายังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์ 4. พระเจ้าจักรพรรดิเหตุที่พระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นถูปา ร, ะระหะบุคคลจําพวกหนึ่งนั้นทรงมีพระพุทธาทิบายว่า เมื่อมหาชนยังจิตให้เลื่อมใสว่านี่เป็นสถูปของพระธรรมราชาผู้ทรงธรรมพระองค์นั้นพวกเขายังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เข้าใจว่าที่ผมนํามากล่าวนี้น่าจะตอบข้อสงสัยที่ค้างคาใจบางศรัทธาบางท่านได้บ้างถ้าศิษย์ไม่สร้างสิ่งระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ ผู้มีค่าควรแก่การบูชาลองนึกกันง่ายๆแล้วกันกาละครั้งนั้นณพระพุทธองค์ทรงดับขันแล้วไม่มีใครสร้างสถูปเจดี JD. สถานที่บ่งบอกแหล่งประสูตร ร, รัสรู้แสดงปฐมเทศนาปรินิพานของพระพุทธองค์ที่เรียกว่าสังเวชนียสถานไว้ทุกวันนี้ไม่เพียงชาวพุทธ กระทั่งชาวโลกจะไปสักการะลำลึกถึงพระพุทธองค์ไปศึกษาเรียนรู้ถึงอดีตการันเป็นประวัติศาสตร์ย้อนไปเป็นพันๆปีได้ที่ไหนอย่างไรฉะนั้นหลวงตามหาบัวเป็นหนึ่งในสี่จำพวกคือพระผู้ควรแก่การสร้างสถูปเจดีย์พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล จงร่วมใจร่วมศรัทธากันสร้างเถิดเปลวสีเงิน อ, อ่านยาวไปหน่อยจนจบให้พวกเราได้ฟังก็โยมเปลวสีเงินเขาอ้างเหตุผลน่าฟังของเขาหลวงพ่อฟังดูแล้ ว, ลวอือดีมีเหตุผลควรจะเปิดเผยให้สาธรสาธรณชน พ่อเปลวสีเงินท่านก็อยู่ห่างไกลจากองตาท่านมาได้มาอุปถัมภะทักท่านก็ยังมีข้อมูลเอามาเปิดเผยให้กับคณะทายาิโยมลูกหลานที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาขององหลวงตาให้ได้รับรู้รับทราบร่วมกันนี่แหละเป็นการโน้มน้าวให้มีล้อมหล่อหล่ อ, ล, อล้อมให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะสร้างเจดีเป็นพิธพาลขององหลวงตาแล้วก็พ้อมหลวงพ่อเองยังคิดไกลไปถึงเนี่ยนะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเยอยู่ในพระบรมโกศที่สวรรคตอันนี้ประวัติของพระองค์ท่านก็โอ้โหใช่ย่อยเมื่อไหร่นี่แหละหลวงพ่อว่าน่าจะทางทางรัฐบาลนะลุงตู่นะน่าจะเตรียมการไว้เอาประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําเป็นพิพิธภัณฑ์ทำเป็นเป็นคําสอนให้เป็นตัวอย่างของอนุชนรุ่นหลัง ให้เป็นผู้เมตมีเมตตาให้พี่เป็นผู้มองกล้างกว้างไกลให้เป็น ผ, ผู้มีสายตายาวหูฟังทุกเขตทุกผลเป็นผู้มีดูแลพระราชชนีของพระ อ, องค์แปว่าทุกอย่างพร้อมตัวในประบัติจนถึงพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละควรจะเอาประวัติของพระ อ, องค์ท่านมา ขึ้นเป็นศีลาจารึกให้ลูกหลานได้ศึกษาในความเห็นของพระป่าพะระดงอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อว่าว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อประเทศชาติไทยชาติไทยของเรานานเท่านานและก็จะเป็นตัวอย่างของต่างชาติมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนใส่เข้าไปเลยเพื่อคนทั้งหลายได้มาอ่านอย่างน้อยผู้มีอุปนิสัย มีกิตใจอย่างพระ อ, องค์ท่านมีผู้มีเมตตามีอดมีความอดทนมีปัญญ า, ามีความรอบรู้ก็จะได้ใช้แนวความคิดพระ อ, องค์ท่านนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อโลกต่อตัวของเขาเองหลวงพ่อว่าจะ ด, ดีทีเดียวเลยละ่ะในความคิดของหลวงพ่อนะ อ, อันนี้ก็ได้อ่านหนังสือมาตั้งนานแนละ้นลูกหลานคณะสัตยาญาติโยม อาต่อเ น, นี้ไปพระ ส, สงฆ์จะอนุโมทนาให้พรละพรในตี น, ต น, น่านะ